ชนดิดชาเป็นบ้างไม่หวานนะไม่หวารหยิบแต่เรอยๆพอตื่นเช้าขึ้นมาก็หยิบจิตขึ้นมาดูแลหยิบทันทีแล้วก็ปล่อยไม่ได้ไดนนเนี่ยไม่วางหรอกตงดูนานโดยเฉยเะท่านลองปัญญามันแจ้งไหมสิ่งที่เราหยิบมาตัวจิตผู้รู้ที่เราหยิบมาจิตประพัสอนเนีย เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยตอนนี้เราเห็นว่าเป็นตัวดีเราเห็นว่าตัวจิตผู้ดูของเราเป็นตัวดีเราก็ได้รักเราจะหวงแหนอะไรเข้ามาแผ่วผ่านเราคอยต่อบู้วันหนึ่งปัญญาแจ้งนี้ตัวทุกข์ล้วนๆนะจะรีบวางวางเองหาทางวางยังไงก็ไม่ได้ได้ไงจิตเรายัมีสองชนิด จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างสวัยจิตที่หลงที่ไหลไปยึดอารมณ์เป็นทุกข์จิตมีสองอย่างเมื่อจิตมีสองอย่างนี่มันจะเอาจิตที่ดีมันจะเอาตัวจิตที่ดีอยากได้จิตดีอยากได้อยู่กับจิตผู้รู้ทั้งวันแล้วก็ปฏิเสธจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปเพราะเราเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวถูกเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราสมัยที่อาตมาไปเรียนกับหลวงปู่ดูลีสองห้า หลวงปู่ไปพูดไปบอกว่านักปฏิบัติส่วนมากกระทั่งท่านที่มีชื่อเสียงมากๆนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่่มัไม่ใช่คำว่าผีใหญ่หมายถึงถ้าตายไปจะไปปลอมเโลกไปอยู่สุทธาวาสตั้งไหรบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่สามารถปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ได้และไม่นึกว่าจะต้องปล่อยวางด้วยคิดว่าสุทาวาเนี่ยปลอดภัยแล้วมีความสุขแล้วดีแล้ว นี่ถ้าเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเราจะเห็นบางท่านเห็นว่าเป็นอนิจจังนะของไสได้ยังมองได้อีกมองได้ก็ของใสได้อีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นว่าเป็น่องไม่เที่ยงแล้วยอมวางเข้าถึงความบุดค้นบางท่านเห็นเป็นทุกข์โดยจิตผู้รู้นี้ตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ตัวทุกข์ล้วนๆแล้วก็วางบางคนเห็นเป็นอนัตตานะววางไปเลยต้องเห็นใจรัก เห็นด้วยใจจริงๆต้องเห็นยากเนี่ยเคยจิตผู้รู้เนี่ยสว่างสวัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูว่าไม่เที่ยงดูยากนะเคยจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขอ่ะจะดูให้เห็นเป็ตัวทุกข์ก็ยากนะเออมันรักษาไว้ได้ด้วยเห็นไหมปกปองไว้ได้รักษาไว้ได้จะดูว่าไม่ใช่ตัวเราก็ยากอีกเพราะว่าตัวนี้ยากยากที่สุดการปฏิบัติเนี่ยมีจุดที่ยากที่สุดอยู่สองจุด จะภูตุชนขึ้นเป็นพระโสดาบันยากที่สุดเลยความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วจุดที่ยากที่สุดอีกจุดหนึ่งตรงข้านาคาขึ้นเป็นข้าระหันยากที่สุดเงินเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจอีกแบบหนึ่งอ่ามัน่เนก็บผองใสทั้งวันทั้งคืน อ, อย่างนี้แหละดูเหมือนเชี่ยงหนึ่งนะดูเนี่ยดูไปเรื่อยจะไม่เห็นใสลัก ถ้ากําลังทอถึงจะเห็นไจรักถึงได้ยอมวางถ้าวางแล้วคราวนี้ทิ้งจิตประพัฒสอนแต่จิตประพัฒสอนดูประพัฒสอนไปนอย่างนั้นเลยแต่เป็นจิตที่โง่เป็นจิตที่มียวิชามีความไม่รู้อริยสัจแฝงอยู่อย่างลึกซึ้งจิตประพัฒสอนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองนะั้นคือตัวทุกนี่ก็ไม่รู้ทุกไม่รู้ว่าการที่จิตใจเยงพอใจทวพันอยู่กับจิตประพัฒสอนนี่ก็เป็นตัวสมุทยัย ไม่รู้ว่าว่างก็ได้จะถึงนิโรธถึงความพ้นทุกข์ที่แท้จริงคิดว่าพ้นทุกข์แล้วคิดว่าอยู่กับจิตที่ประพัฒสอนนี่พ้นทุกข์แล้วแล้วก็ไม่รู้มรรคไม่รู้ว่าต้องเดินต่อไปอีกนะคิดว่าสุดทางเดินแล้วนั้นจิตตระัฒสอนนี่ก็คือจิตอวิชา น, นั่นเองครบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกว่าจิตอวิชาแล้วนะจิตประพัฒสอนไม่ใช่จิตเดิมแทนะ้ไม่ใช่จิตหนึ่งคนละดวงกันคนละลักษณะ จิตประทัดสอนยังมีขอบมีเขตรู้สึกไหมมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมันไม่เป็นอิสระจริงเท่ารู้เราเห็นใจรักนะมันวางจิตประทัดสอนว่างทิ้งนะว่างเลยมาคนว่างทิ้งปล่อยทิ้งคืนให้โลกไปจะเข้าถึงธรรมชาติอีกชนิดอันนี้ธรรมชาติเนี่ยคงที่เด็จิตที่ไปรู้ธรรมชาตินี้เป็นจิตที่กว้างขวางไรขอบเขตไม่มีการเคลนไหวไ ป, ไปมาเราะมันใหญ่มัใหญ่เต็มโลก จิตขอเราเป็นจุดเป็นดวงเล็กๆดูออกไหมว่ามันเล็กๆเวลามันจะไปตรงโ น, นก็วิ่งไปต้อวิ่งไปทางโ น, น้นวิ่งไปทางนี้แต่พอมันใหญ่มันเต็มถึงพื้นที่มันเต็มหมดแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาเพราะฉะั้นภายในนี่ว่างเปล่านะว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีความเคลื่อนไหวขึ้นนิดเดียวแต่ภายนอกมันก็ออกมารู้อะไรต่ออะไรได้จะไม่มีความกระเพื่อมหมันไหวขึ้นไปตัวนี้เรียกว่าจิตหนึ่งมีหนึ่งเดียวไม่มีสองละ ส่วนจิตประพัฒนษาเนี่ยเป็นจิต ท, ที่มีสองอคือมีจิต ท, ที่ไม่ประพัน์ษาจิตหนึ่งหรือจิตเดิมถ้าพูดอย่างปริยัตในฝ่ายเทรวาทเรียกว่ามหากริยาจิตมหากริยาจิตไม่ทํากรรมนะ่ะแต่ว่ารู้อารมณ์นะไม่เข้าไปสเสบถไม่ไหลไปไหลามาไม่เข้าไปเกาะ อ, อะไรไม่มีการกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลง เกันดูไปดูได้ตามชั้นตามกลุ่มนะตอนนี้ก็เห็นว่ามันดีไปก่อนธรรมะเป็นของกลางใครทําก็ได้นะอย่างเป็นพละว่าเป็นพระอะไรเนี่ยเป็นโดยสมมุติเป็นพระมาใส่ท่าเหลืองเรียกสมมุติจิตศุกส่วนพระแท้ๆเป็นในใจเราพละว่าก็เป็นได้นะคุณหมอเป็นไงส่งกันบ้านเุ็นหมอ แต่แรกที่มาผมไเป็นใจเลยที่คือคุณหมอดูเรื่อยๆกันแล้วกันนะอยู่ห่างๆขับรถไปไม่ได้ฟังซีดีแต่คนที่ขับรถใส่มีนะเนป็นอยู่ด้วยกันใช่ไหม <Okay. S 2> นะพากันไจนะดีแล้วคุณหมอเรวก็เอาตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองเให้ได้ทําตนเป็นที่พึ่งทําตนเป็นเกาะเป็นเกาะกะ็ไม่ใช่ไปเกาะเกี่ยวนะ ถึงเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลมีที่พึ่งที่อาศัยมีธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยชีวิตนี้ไม่มีวันขาดทุนหรอกจะยังเกาะอยู่นิดนึงหรอกไหมยังไงเก่งตับสูกไม่ได้ไหนใครจะส่งกันบ้างน อ, อีกน้น ม, มาก่อนเพื่อนเลยคนระับมหักก็มีหมอบหรอกมีน้ำหนักเข้าใจแล้วก็ไปเกาะ มองๆนี่มีโมหแะแท้เดี๋ยวกินข้าวแล้วอาจจะหายแล้วทำไมกินข้าวแล้วหายมีกิจกรรมเคลื่อนไหวไปมาห mm hmm. มอตนตะลาชาเป็นไงใ่แอ mm ่วาถ้าไมเนีแล้วก็ติดป็นัไงคืออ่าแ้ดีไปดูไปมันกระจายตัวออกไปหมดละ ตัวนี่ยเป็นวิปัสนาญาณตัวหนึ่งขันห้าเนี่ยกระจายตัวออกไปนี่พอขันห้ากระจายตัวไปแต่ละตัวแต่ละตัวยังไม่ใช่ตัวเราดูมาดูออกไ้มกายนี้ไม่ใช่เรารู้สึกไม่เวทนาไม่ใช่ตัวเราดูออกไม่กิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆนะหาตัวเราไม่เจอเออนั่นแหละถ้ามันเข้าไปรวมกันนี่จะเป็นตัวเราถ้าตัวเราเกิดจากการที่ขันมันเข้ามาประกอบกัน ถ้าสติปัญญากระจายขันออกไปตัวเราก็ไม่มีเหมือนอย่างรถยนต์มีรถยนต์ได้เพราะมีชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันขึ้นมาพอกระจายออกไปก็จะไม่มีรถยนต์ให่คุณหมอดูไปได้ดีละนะดูไปอย่างนี้มันเป็นการเจริญปัญญาอย่างถ้าทําแต่สมาธาเฉยๆนะหายใจอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวดูท้องฟองยุบอย่างเดียวอะไรไม่ไม่เกิดปัญญาแล้ว ถ, ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ที่แรกก็ทิฏฐิบริสุทธิ์กันมีทิฏฐิบริสุทธิ์เอ้าเฟินเป็นไงเฟินเออดีที่เห็นนะดูไ่วันหนึ่งก็ไม่เป็นตัวเราหรอกมันเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะว่ามีส่วนอื่นเข้าไปประกอบจิตมันก็เลยเป็นตัวเราขึ้นมามีความคิดเนี่ยเข้าไปประกอบมีปัญญาเข้าไปประกอบมีความความหมายรู้ผิดผิดเข้าไปประกอบ เป็นสัญญาที่ผิดเป็นผลิตภัณฑ์เาเกิดสัญญาเพวามรู้เ่อเรืู่แใช่ใช่ใช่นะทงานด้วยกันอย่างนั้นนะดีล้ะที่เห็นคุณเล็กคุณเล็กว่าไงไไพูดเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลราชนะโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไร <c oughs> แล้วไงบาง้งรู้สึกว่า ว่าโดยเวลายอยูปฏิบัติอะดีที่รู้แต่พอเห็นป้าก็มันจะเกิดความรู้สึกลอตเองว่ามันเป็นรอาเรอใจตัวอืมดีละดีละจริงจริงเรียนกับหลวงพ่อนะเรี๋ยวเพื่อให้รู้สภาวะถ้าเห็นสภาวะแล้วใช้ได้แล้วจะเป็นกูสลหรือจะเป็นอากูสนก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละไม่จําเป็นต้องดีหรอกจะไปเห็นเลยจิตมันโ ง, ง่เข้าไปปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาแล้วมันก็ทุกข์เองนะ เป็นคนดีนะนักปฏิบัติแล้วมันก็ทุกเลยแล้วก็รู้ทันความปรุงแต่งฝ่ายกุศลไปปรูงแต่งฝ่ายกุศลนะคนดีๆแล้วละยากคนชั่วละง่ายคุยว่าบอกคนคนเทียงกันนะว่าความดีกับความชั่วอะไรทําได้ง่ายกว่ากันคุยว่าบอกคนดีแนละ้วทําชั่วยากนะทําดีง่ายคนชั่วทําชั่วง่ายทําดียาก ของเราพวกคนดีนะสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอยากค้นพุกเป็นคนดีเพราะฉะนั้นพอเราภาวนาไปนะเกิดสติสมาธิปัญญาเกิดอะไรแค่นะเราละยากจะละยากเลยเฉพาะไปเจอจิตผู้รู้จะเห็นจิตผู้รู้ละยากที่สุดเลยเพราะพิเศษที่สุดเลยผู้เศษที่สุดเลยเอาเงินมาแรกยังไม่เอาเลยเนาะ <c oughs> หวงเเงนินละยากที่สุดเป็นอย่างไรบ้าง เ, เราการเมืองไม่ดีเล่าร้อนนะ <c oughs> ดูใจเราสี่ไปดูการเมืองอรู้บ่อยๆนะหมู่นี้คนที่มาวัดหลวงพ่อนะจิตใจเล่าร้อนเป็นส่วนมากกระสับกระส่ายเฒ้าหมอง <c oughs> เพราะว่าอิทธิพลทางการเมืองเ <c oughs> ล่าอย่างหลวงพ่อนะสบาย <c oughs> ไม่ได้ฟังข่าวไม่อ่านหนังสือพิมพ์นะไม่รู้เรื่องหรอกสบาย ไม่รู้ว่าวันนี้เ็าจะย้ายไปไหนไหนนะไม่รู้นะ <c ười> คุณเล็กมีอะไรไหมคุณเล็กจิตมีโมหะทราบไหม <c ười> มัม ว, าามมวมัวลืออกไหมดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอมันหายมัวเนะียก็นึกออกว่าไม่เหมือนกันตอนนี้มันจะซึมซึมอยู่นิดนึงถ้าคุณสรรัญญา ยังทำเยอะนะทาเยอะน้อมใจเข้าไปนักปฏิบัติเยอะเลยเวลาลงมือปฏิบัติแล้วน้อมใจเข้าไปแช่แช่ไว้ข้งไหนให้รู้ทันไปนี่แหละไม่ต้องเรียกนะดีแล้วเออมรู้เึกรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเออมรู้ส ถ้ารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าสติเกิดเราเรู้กายนะจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกบ้างไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้าเรารู้สึกตัวเป็นนะรู้สึกตัวจริงๆอ่ะจะ ร, รู้สึกทันทีเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกเอียนเดียวว่าจิตเป็นตัวเราจิตขนานนี้ตื่นเต็มที่หรือยังอ่ตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นเต็มที่นะยังจงใจทําอยู่ยังมีความจงใจทำดูออกไหมเนี่ยกระพอง ให้รู้ทันนะไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะตรงเนี้ย ต, ตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานค่ให้ใปลี่ยนไปดีแล้วนี่ลรามาจากไหนมาด้วยกันไหมเหลอ <c oughs> ตามมาดูเนาะ <c oughs> <c oughs> บางบ้านพ่อแม่พาลูกมา <c oughs> ลูกอยากมานะพ่อแม่ไม่ได้จับมาร <c oughs> <c oughs> ายหนึ่งนะพ่อขับรถแท็กซี่เกณฑพ่อขับแท็กซี่พาแบบนี้เนี่ย พ่ามาดแล้วนั่งเอ้อระเหยสบายใจลูกเร่งเสียดตั้งแต่ฟังจบจะเรื่องก็ฟังไปชั่วโมงนะพ่อร้องจาก์เลยโอ้ผมภาวนาเป็นแล้วรู้แล้วจิตผมมันวิ่งไปที่พระประธานบวิ่งไปที่โน้นบ้างที่นี่บ้างเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกขเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายห้ามมันไม่ได้เลยะลูกฟังงงลูกยังไม่รู้เรื่องเลยนะตั้งใจมาเรียน ที่ตั้งใจมาเรียนมากนะโลภะมันบางหมดความอยากมันบางส่วขขนพอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหลวงพ่อพูดอะไรแล้วคอยรู้สึกคอยดูคอยดูไปเรื่อยนะ เ, เดี๋ยวก็ดูเป็ดให้คอยดูใ จ, นะใจเรานะแต่เราแต่ละขณะไม่เหมือนกันอย่างฟังหลวงพ่อพูดเมื่อกี้รู้สึกําใช่ไหมอันนี้ใจเริ่มนิ่งๆแนละ้ส่วนใหญ่ในห้องนี้ใจเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจของเราเปลี่ยนแปลงให้รู้ทันลงไปนะคุณเสื้อสีฟ้าลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหม อย่ น, นี้หัดอย่างนี้นะหรือตัวเองก็รู้ทันค่อยๆรู้สึกไป <Okay. S 1> เออดีบ้านนี้ลูกเข้าวัดหมดเลย <Okay. S 1> มีบุญนะ <Okay. S 1> ถ้าลูกเข้าบาเข้าขับอะไรลนะไม่มีบุญเท่าไหร่ <Okay. S 1> ใจรอยแล้วรู้สึกไหม <Okay. S 1> แล้วนั่นแหละมากับเขาด้วยด้วย <Okay. S 1> ออมาด้วยกัน <Okay. S 1> อะไรนะ <Okay. S 1> อ๋อดีแล้วใครฟังไปก่อนนะ อาคุณน่นสงกันได้คิดเห็นกิเลสล่อยแหมวันหนึ่งวันหนึ่งเยอะนะเริ่มภาวนาเป็นแล้วภาวนาเป็นแล้วกิเลสเยอะเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยคนภาวนาไม่เป็นนั้นนึกว่าเราเป็นคนดีเราจะเข้าข้างตัวเองแล้วเราดีดีนี่ทีมนี้ยกตัวอย่างนะแต่เดิมชื่อสิบเอ็ดหนังฝาทีมนี้มีสิบเอ็ดคน มีผู้ชายปนอยู่คนหนึ่งนะเรียกชื่อเป็นหนังฟ้าไปด้วย <c oughs> พอมหาหัดภาวนาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นสิบเอ็ดแม่มดผู้รู้สึกตัว <c oughs> เราจะเห็นเลยเราร้ายกว่าที่เราคิด <c oughs> ดีละดูไปเรื่อยภาวนาใช้ได้นะอะผู้กำกับว่าไงวันนี้จิตมันเฉยไม่ค่อยเจ้หน้าอ่สังเกตไห้วันนี้มันซึมะ <c oughs> ซึมให้รู้นะติตมันซึมซึมเศร้าเราก็รู้ลงไป ได้แล้วดูไปเรื่อยดูเป็นละเห็นความเปลี่ยนแปลงได้แล้ว <c oughs> ดีแล้วฟัง c ีดีลวงพ่อเรื่อยๆ น, น, นะฟังไปแล้วก็สังเกตตามไปเรื่อยๆนะซีดีหลวงพ่อดีนะโฆษณาแจกไม่โฆษณาขายฟังมากๆฟังไปแล้วก็หัดสังเกตสภาวะอย่าฟังเฉยๆนะฟังแล้วหัดสังเกตใจเราไปเรื่อยๆ อย่างลงพ่อสอนๆอยู่บาีก็อ้าวเผลอไปแล้วรู้ไหมเนี่ยเราจะเผลอพอดีทุกครั้งหนึ่ะนี่เป็นสีดีที่แปลกนี่ทีไรรับเราเผลอทุกทีแหละเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมคุณกำกับตื่นกว่าเมื่อกี้แล้วมัวน้อยลงอ่ะคุณผู้หญิงเออเนาะร้ายกว่าที่คิดนะ แต่เดิมนึกว่านางเอกเนาะเออนะตอนนี้รู้แล้วนางนา ง, งร้ายยังคอยดเป็นอ่ดีละค่อยคอยดูนะค่อยค่อดูเราจะรู้จักสภาวะมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไหม <c oughs> เรารู้จักสภาวะมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอสภาวะที่เรารู้จักเกิดขึ้นนั้สติตัวเองมันราลึกได้เองว่าอ๋ออิจฉาอีกแล้วเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เห็นเลยที่อิจฉาไหม เออดีแล้วที่เห็นหน้าดีแล้วอ้าวยมเป็นไงอยู่กันมาหลายปีไม่ยอมมาเรียนวันสุดท้ายถึงจะมาเออดูไปนะนี่ศิลปินเดียวนะเดียวลวนะหน้า <c oughs> ในหมู่บ้านนี้มีศิลปินห น, นึ่งค่ะคุณพัดเป็นไงคุณพั <c oughs> ชเฉพาะตอนนี้หรื อ, รอว่าตลอด ตอนนี้มีโมหะเพราะงั้นไม่ชัดเอย่าไปฝืนให้ชัดนะไม่ชัดรู้ว่าไม่ชัดอยากจะชัดรู้ว่าอยากจะชัดให้รู้ทันลงไปอย่างนี้แล้วมันชัดเองถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะตรงความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันได้จริงๆนะจะชัดขึ้นมาเองไม่ต้องไปดิ้นรนให้ชัดนะดิ้นยังไงก็ไม่ชัดหรอกแต่ยิ่งดิ้นนกิเลสยิ่งเยอะตรงที่ดิ้นไปดิ้นมานี่ยแหละกิเลสมันถาดิ้นงั้นถ้าเรารู้ว่ามันมัวหรือว่าไม่ชอบมันนะ ใจมจะตื่นขึ้นมาคุณจะอุดรใช่ไหมเป็นไงฟังมาวันหนึ่งรู้เรื่องอยังดังๆนิดหนึ่งเนอไม่รู้เรื่องก็ช่างมันนะพอรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆจริงๆเราง่ายๆอย่าไปคิดเยอะถ้าเรายังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทํายังไงจะถูกจะไม่มีวันถูกหรอกเพราะมันผิดตั้งแต่คิดจะทำแนละ้วทําไมต้องอยากจะทํา อยากเต็มที่ใช่ไหมอยากจะสุขอยากแ ก, กแพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานนี่เป็นไปด้วยความอยากให้รู้ทันใจที่มันอยากตอนนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมนี่หัดดูสภาวะอย่างนี้นะลืมตัวเองแล้วก็รู้เนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมไหลายวัดอย่างเนี้ยรู้สึกไหมภาวะแห่งความตื่นเป็นอย่างเม่กี้เนี่ยแวบบหนึ่งเนะี่ยพอรู้ทันแล้วมันเหมือ น, นตื่นขึ้นมาเนี่ยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหม ฝันไปอีกแล้วเห็นไหมมันตื่นได้ทีละแว บ, บเดียวนะพอเรารู้ทันสภาวะเราก็ตื่นขึ้นแว บ, บหนึ่งแล้วเราก็ฝันครั้งใหม่นะของคุณติดการตระทองด้วยนะอยา่างประทองเพื่อใครดูไปก็ปเป็นไงพ่อนี่หลวงพ่อกําลังปรับวิธีสอนเห็นไหมหลวงพ่อไล่ทีละคนนะที่ใหม่มีสามรอยคนหลวงพ่อชั่วโมงหนึ่งลไล่หมดแล้ว <c oughs> ไปใครไล่เป็จแล้วเชิญออกไปเลยนะ <c oughs> อ่ะอะไรนะเออจิตนั่นจิตเป็นไงก็นเ่อนี้มว่าเลือว่าจิตะถ้าทม่้มันจะรู้เอนะผมรู uh> ้มนเออนั่นแหละมารู้เพราะจิตจำสภาวะได้นะอย่างเรารู้ว่าเปลอเป็นยังไงจำได้ละพอเปลือนะมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าเผลอไปละ เนี่ยเราบางทีเราสภาวะเกิดแล้วเราก็ยังงงๆมันรู้ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้บอกต่อไม่เป็นควาจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีสติมีการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้สกดไหนมีใครอีกใครน่าหลบใหญ่หลงเพราะเอียงทางนี้หลบทางนี้เออเราแหละเราแหละเออเป็นไง นะสต่หลวงพ่อไม่ใช่เผลอไปเผลอมานั่นหลบไปหลบมาเยอียงตรงนี้เอียงตรงนี้นะหลวงพ่อเอียงทางไหนเอียงกับข้างเรื่ออะไรหลวงพ่อลืมไปแล้วะเออบ่อยสิทิโปไปปวดอยู่วัดป่าแล้วทํำไมสึกมาปวดรุนแรงหลวงพ่อแล้วเป็นคราววาดภาวนายากกว่านะภาวนายากกว่ากันเยอะ แต่คารวาเนี่ยสาคัญต้นๆง่ายนะเพราะวา่าคารวะเนี่ยมีผัสสะมากมีการกระทบกระทั่งทั้งวันอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งคารวา่าเนี่รุนแรงเนี่ยถ้าเราจะเริยนสติเป็นเนี่ยเราทําการบ้านทั้งวันเลยเราจะเห็นจิตใจได้ทำงานทั้งวันหลวงพ่อสมัยที่ภาวนาแล้วเกือบรีกระหล่ามากที่สุดเลยช่วงแรกๆที่ภาวนาทํางานเสยเยมากเลยหัวหน้ากองเขาเครียด ในภาวะที่มีปัญหามากๆเนี่ยเราจะขยันดูจะดูบ่อยๆบ่อย่อยอยเป็นธราวาะถ้าดูเป็นนะได้ผล ด, ดีเหมือนกันพนะอได้ขั้นต้นๆแล้วให้ไปบวดก็ได้ภารมะทาตอนท้ายทายยากบ่อยใช้ได้นะบ่อยไปดูไปไม่กลัวเกิดเหตุไปเลยปฏิเวทเป็นไงิเว อเออใส่คิดได้คิดนิดหน่อยแล้วรู้ทันมันเข้ามาหลวงพ่อก็เคยนะมีช่วงหนึ่งช่วงหันใหม่ๆเวลาดูจิตในบางครั้งเข้าไปตะลุมบอลดูไปแล้วตะลุมบอล ก, กับมันเล ย, ยแก้มันไม่ได้รู้สึกมันไม่ดีมันไปก่ออะไรนะช่วงจิตเสื่อมอะไรเงี้ยเข้าไปตะลุมบอลหลวงพ่ อ, อเลยเขียนกระดาษแปะไว้ก็ใหญ่ยืดจิต อย่ายึดจิตพอเห็นคํานี้นะนี่กาลังหลงไปตำลมปอดนะเพราะว่าจิตเป็นตัวเราสอนตัวเองเหมือนกันแตะป้ายว่จาจันสุรวัตรก็ใช้แปะป้ายเหมือนกันให้รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางอะไรทานองเนี้งั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาจิตไม่เป็นกลางคอยรู้ทังงนงั้นปฏิเวศสอนตัวเองนิดหน่อยก็ได้วันนี้จิตมันเป็นยังไง กลิ่นมันสร้าหมองแต่ตอนนี้มันคลายออกแล้นะแค่กลิ่นมันเศร้าหมองก็ให้รู้เศร้าหมองอย่าไปเกลียดมันอย่าไปกังวล น, นะเรสร้างวัดก็ไม่ต้องกังวล น, นะเราทําบุญไม่ต้องให้มันเร้าหมองเราทาของเราเต็มที่แล้วก็จบภารกิจเราละนะอย่าให้เร้าหมองนะก้าวเป็นไงก้าว อะไรนะเก้าเออดีเก้าดูเลื่อยนะเก้าจงใจก็เปล่าเออจงใจให้รู้ทันนะแล้วยมสุดท้ายนู้นเลยล่ะนั่นแหละนั่งจริงข่านลมเนะี่ยต้องเผลอนะไม่ใช่ฝึกเขาไม่เผล่นะเผลอบ่อยๆ อ, ยอะดีถ้าเผลอบ่อยแสดงว่ารู้บ่อย ไม่ใช่ไม่เผลอนะอไปฝึกให้ไม่เผลอเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เผลออ ะ, อะไรนะเออดีแล้วรู้สึกไหมความสุขมันโชยขึ้นมาไม่ขึ้นมาเองนะมันแผ่วๆขึ้นมาประจิตมันมีสตินะมีความสุขโชๆยๆขึ้นมาทําไมจิตมีสติแล้วมีความสุขได้ถ้าจิตที่มีสติเนี่ยเป็นมหาภูมิพลรจิต มีมหาด้วยนะไม่รู้ไปได้ประเรียนมาอย่างไห น, นเป็นมหาครูสอนจิตมหาครูสอจิตมีเวทนาได้สองอย่างโนะสมนัตมีความเบิกบานใจผุดขึ้นมาแกอุเบกขาเป็นกลางกลางแต่กลางนุ่มนวลไม่ใช่กลางแข็งแข็งนะถ้าแข็งแข็งเนี่ยอักขุนถ้ากลางอย่าง น, น, นุ่มนวลนี่เป็นกขุนดีแล้วที่เห็นค่อยๆเห็นสภาวะนะดีละวอักขุนผู้ชายถัดไปเนะี่ ที่ปฏิเวทเนียเป็นไงประมาณสองสอทที่แล้วนะครับเห็นเห็นความเื่อแบบเบื่อเหมือนเครื่องจักรที่ตลอดเวลาคือเบื่ออะไรล่ะเบื่องานเบื่อมีหรือเบื่อทุกอย่างอนอคารของากามันจะเ่อแปลงอนออดีดีตลอดเวลาก็แปลงพังเรื่องเราควบคุมไปนตัวเครื่องจักรนี้ ดูว่ า, าร่างกายมันน right. ่เนเครื่องจักรมากกว่าเออดีแล้วดูเป็นเครื่องจักรไม่ใช่ตัวเรานะดูไปโลงพ่อก็เคยเบื่อนะเบื่อไปเบื่อมาต้องช่วยคิดนิดนึงอย่างที่ปฏิเวศบอกนะเอเราไปเบื่อว่าต้องพามันแปลงฟันควาจริงร่างกายมันแปลงฟันของมันเองนะอ่เพราะว่ามันทํางานของมันเองอะร่างกายมันกินข้าวนะมันก็ไปหาข้าวมาใส่ปากมันเองนะแล้วเราไปเบื่อแทนมันทำไมมันไม่เห็นเบื่อเลยก็เลยมาดูภาพเบือจริงภาพบื่อที่เรา เออใครรู้นะดีละแล้วจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นวัตถุกนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกไม่ใช่ตัวเราหรอกนะหน้าเบื่อหนา่านยะดีดีที่เห็นอย่างนีปป้นคุณผู้หญิงที่นั่งขัดมาเป็นไง <c oughs> เห็นไหมเหลืออีกสองแถวเองเหือ <c oughs> <c oughs> ขยันนะขยันเราพรพ่อใหเจ้าท่านเตือนแนะ่หนึ่งบอกว่าให้พวกเรานะขยันปฏิบัติท่านสอนพระนะ เรให้ขยันปฏิบัติเผื่อเพื่อนสหพันธมิกเผื่อพระอื่นมาถามอะว่าการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคืบหน้าไหมอะไรเนี้ยจะได้ไม่เก้อเขินคารวะก็เหมือนกันนะขยันปฏิบัติไว้เวลาครูบาอาจารย์ถามจะได้ไม่เขินแต่ว่าพอใช้ได้จิตใจอ่ะรู้สึกไหมดีขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ใครรู้ไปนะใช้ได้อยู่เหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่ได้ทำหรอกพูดต่อมตัวเนี่ย แต่คอยกิเลสเกิดคอยรู้บ่อยๆนะเ อ, อใช้ได้ไหนๆมีใครอีกโอ้โนู้นหลบหลังบอยติดที่โพงอีกทีเนี่ย อ, อ่บ่อยรีบกุ้มเลยาว่างมาถ้าความผิดกบบความรู้สึกมันไม่ได้รวมกันมันก็สะารวมได้แล้วว่างได้แต่ถ้าความรู้สึกมันมีแบบกับความคิแล้วมันจะแสดงออกอย่างมีแรง คดีแล้วเคยรู้ทันนะแต่จะห้ามไม่ให้เข้าไปจับกันก็ห้ามไม่ได้เราดูเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ดูเพื่อจะฝึกบังคับให้ได้นะตั้งหลักให้ดีถ้าตั้งหลักผิดแล้วจะทําผิดเลยเนื่อว่าวางเป้าหมายผิดนะงานก็ต้องทําผิดแน่ผิดเป้าเราทั้งรู้สึกไม่ดีที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เวลาเราไปชมรมเราทำมือเด็กแต่ว่ามันเป็นมาท่ามหันตเนอะห้ามไม่ได้ดูไปเรื่อยๆนะแต่ไปก็เห็นเด็กคนนี้มันน่าเกลียด ไปดูไปเรืยเดี๋ยวค่อยหายเองแหละไหนมีใครอีกใครใครจะส่งกันบ้านอ่ะนู้นเพิ่งมาใหม่อันนันแหละทีมข้างหลังนะใครก็ได้ครับส่งกันบ้านยังไงก็ต้องส่งหมดแหละทีมหวานนะ่ะหวานเป็นไงดีขึ้นหวานวันนี้จิตหวานดีนะหวานใหก่เต่งนะหวานนั่งห่างๆกันน่ะดีนะ <c oughs> หวานานั่งตรงนี้นะใขรจะขึ้น เลงเยอะไปนั่งตรงนั้นกําลังพอดีเลยรู้สึกไหมสบายอต้องนั่งห่างๆแค่นี้แหละระยะอย่างนี้จําไว้นะอย่างนี้ระยะนี้พอเหมอนะะสบายแต่ละคนนะั้นมีระยะนะั้นที่จะสบายไม่เท่ากันดีมากหวานจิตใจเบิกบานรู้ออกไหมนะจิตใจเบิกบานฝุดขึ้นมาแล้วก็รู้ใช้ได้นะเบิกบานแล้วรู้เนี่ยเลยใช้ได้ถ้าเบิกบานแล้วไม่รู้ใช้ไม่ได้นะ ไม่เป็นไรมันเป็นร่างกายเราให้เปิดก็ชั่งมันนะแต่จิตใจเรามีความสุขไว้เนีเอแวบหนึ่งทราบไห ม, ไมใจไหลเออ